أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صلی وسلم و ب ا ر ك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يشمعین سبحانك لا علم لنا إِلَّا مَا علمتنا إنكأنتالعليمالحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا و إ ل م ت ْ ف ر لنا وترحمنا لنكونمنالخاسرين ر ب ن ا آ ت ن ا م ن ا ل ذ ك ر َ ح م ة و ه ي ئ ل ن ا م ن أ م ر ن ا ر ش د ً ا ل ل ه م ه م ن ا ر ش د ن ا و ع ز ن ا م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا الحمد لله ชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และา ع ا ل ะครับมีเรื่องที่อยากจะมาร่วมกันเป็นสำหรับปีฮิจรศักระดึงสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบางคนที่ยังไม่รู้สึกตัวนะครับวันนี้เป็นวันที่สองอยังเริ่มต้นอยู่ จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนหมายถึงว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าพอขึ้นปีใหม่อิสลามมีปีใหม่ปีใหม่ในอิสลามไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมหรือการเฉลิมฉลองหรือมากไปกว่านั้นก็คือการอิบัตใ ด, ดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งธรรมเนียมก็ไม่มี ไม่มีนะครับในสมัยน บ, บีไม่มีการ เ, เริ่มต้นปีใหม่เพราะว่าปีโจรศกษราชเริ่มนับตั้งแต่ยุคสมัยของใครฮะฮะท่านอุมารอิบนุขตัตตาบอุมารอิบนุขัตตาบขัลย์ฟะเป็นผู้ที่เริ่มทำปฏิทินเพราะว่ายุคของท่านอุมารนั้น กานเริ่มปฏิรูปการบริหารจัดการบ้านเมืองมีการจด บ, บันทึกรายชื่อทหารกองทหารมีกี่กองมีใครบ้างมีการจัดระบบสวัสดิการานอนุมัติเป็นนักปกครองนะครับและในยุค ข, ของท่านนี่เองที่มีการเริ่มทาปฏิจินเพื่อเพราะว่ามีมีหนังสือมาจาก ผู้ปกครองเมืองบางเมืองในสมัยของท่านอมัรเนี่ยส่งหนังสือมาหาท่านแล้วบอกกับท่านว่าบางที่เราเห็นสารของอเมรุมุเมนินอมัร์ตรเอกนคอรตอปมาถึงเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าอันไหนมาก่อนมาหลังเพราะตอนนั้นยังไม่มีการใส่วันที่ไปมีคำสั่งมาคำสั่งอันเนี้ยสั่งให้ทำอย่างนี้พอมีคำสั่งอีกอันหนึ่งมันตรงกันข้ามกับคาสั่งอันแรก ตกลงจะใช้อันไหนเพราะไม่รู้ว่าอันไหนมาก่อนมาหลังก็เลยร้องเรียนไปยังท่านอุมาว่าคําสั่งของท่านมานีนเราตกลงเราไม่รูจะใช้อันไหนเพราะมันไม่มีไม่มีตักกุ้ท่านอุมาวาก็เลยเรียกบรรดาสัฮาบะมาในยุค ข, ของท่านนะครับว่าเราจําเป็นจะต้องมีการกําหนดตักกุ้การทำตัดิทินนั่นเองทีนี้ก็หารือกันว่าจะเอาอะไรเป็นจุดเริ่มต้น ในการทำในการเริ่มนับปฏิทินสำหรับใช้ในการจัดการบริหารจัดการศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ต้องให้ความสําคัญกับปฏิทินทุกวันนี้มุสลิมไม่เคยให้ความสาคัญกับปฏิทินเท่าไหร่หมายถึงว่าปฏิทินงานปฏิทินจัดระบบเวลานี่มันีสมัยท่านอุมัดแล้วนะครับทุกวันนี้เราเราใช้ปฏิทินของเป็นนวัตกรรมของคนอื่น มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมายที่จะให้เราจัด ก, การชีวิต Microsoft Outlook บ้าง Google บ้าง Hotmail บ้างอะไรอีกนะครับผู้ใหญ่อาจจะรก simple, <c oughs> พวกเด็กๆที่รู้จักกันหมดนะครับในมือถือเราเมีปฏิทินไม่รู้ตั้งกี่เวอร์ชันแต่เราไม่ใช้สักอันหนึ่งใช้ไม่เป็นสักอย่างหนึ่งชีวิตของเราก็เลยไม่รู้นะครับแย่แย่มากเลยนะฮะสมัยก่อนเขามีการจัดการสมัยท่านโอมารมีการจัดการชีวิตทุกอย่างเลย นะอิสลามไม่ใช่เรื่องเรื่องของการอิบารัดอย่างเดียวการบริหารจัดการก็ต้องรู้จักทราบว่าบางคนก็เลยเสนอว่าเราต้องเริ่มนับปฏิทินโดยยึดเอาวันเกิดของท่านนาบีเปญญ็นหลักซัลลัลลอฮุอะลลอฮิวสาริบางคนบอกว่าเอาวันตายวันที่ท่ญญานนบีเสียชีวิตเริ่มนับตั้งแต่วันนั้นแหละเป็นต้นเหตุในการที่จะนับปฏิทิน ท่านน บ, บีเกิดปีช้างใช่ไ้มครับก็เริ่มนับตั้งแต่นั้นมาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าจนกระทั่งถึงยุคของท่านออกาสุดท้ายนะสั้นๆสุดท้ายมีคนเสนอบอกว่าเราต้องเอาเหตุการณ์การฮิจรัของท่านน บ, บีสลุล ล, ล่ามเป็นปีแรกที่จะใช้เริ่มนับปฏิทินเพราะอัลฮิจรั มีนัยยะที่สําคัญกว่าวันเกิดของท่านนบีมีนัยยะที่สําคัญกว่าวันที่เสียชีวิตเพราะฮิจรัชนี้เป็นการเป็นวันที่อิสลามนั้นได้รับการเชิดถูโดดเดน่นเป็นวันที่มีการจําแนกระหว่างมร ح ل ลเอ่เอ่อเรียกว่ามร حلة อิสติ๊ดะฟ หมายถึงยุคสมัยที่อิสลามถูกกดขี่จากบรรดามุชริกีนพอท่านนาบีฮิซบุลละุ๊บขึ้นสู่เรียกว่ามัทธาลิสติคลายุคของการที่อิสลามนั้นอยู่เหนือกว่าแล้วก็อยู่มีการบริหารจาัดการวันเกิดของท่านนาบีไม่ได้มีไม่ได้เกี่ยวข้องแม้กระทั่งในอัลกุรอานเองเวลาที่อัลลอฮลพูดถึงท่านนาบีัลล ไม่มีอายะห์เลยที่พูดถึงการเกิดท่านนาบีการเสียชีวิตมีบ้างการเสียชีวิตของท่านนาบีมีระบุบ้างเล็กน้อยอในบางบางอายะห์แต่การเกิดไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นจุดสาคัญที่บรรดาสาบะหลายท่านเห็นท้องว่าเอาเนี้ยดีที่สุดเพราะมันเป็นจุดที่ชัดเจนมาก แต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าพวกเราหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าท่านนาบีเนี่ยเริ่มฮิจรัชตั้งแต่เดือนไหนฮะหลายคนพอเข้าใจว่าฮิจรัชสักราช ก, ก็คือปีวันเดือนที่ท่านนาบีฮิจรัชก็คือเดือนมุฮัรรอมก็คือเดือนนี้เดือนมุฮัรรอมท่านนาบีออกจากมักกะไปมาดีนะเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเป็นเดือนมุฮัรรอม เพราะฉะ น, นั้นพอถึงเดือนมะรมปุ๊บจัดงานแล้วก็เล่าเรื่องราวอุปยศของท่านศาสลลัลลอฮอะลัยฮิวซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ท่านน บ, บีเริ่มออกจากบ้านนี่ก็คือเดือนเดือนน บ, บีอาเดือนนบีอาวลครับเดือนนบี อ, ลอวลเป็นเดือนที่ท่านน บ, บีเกิดเป็นเดือนที่ท่านน บ, บีเริ่มฮิจรเป็นเดือนที่ท่านน บ, บีเสียชีวิต แล้วถามว่าแล้วมุฮัรรัมมันเกี่ยวยังไงนะพวกเราพอถึงเดือนมุฮัรรัมเนี่ยเล่าเรื่องฮิจรหชกันยกใหญ่เลยเราไม่ได้บอกว่ามันมันผิดทั้งอะไรทั้งหมดนะครับแต่เนื่องจากว่าเราอาจจะสับสนนะกับ<ๆ>เหตุการณ์ฮิจรัชกับการเริ่มนับปีฮิจรัชคนละเรื่องกันเริ่มนับปีฮิจรัชเริ่มจากเดือนมุฮัรรอมเพราะมีเหตุผลสองสามอย่างที่มันแต่อลัลลมฮฺอธิบายแล้วบางคนก็อธิบายว่าทําไมต้องเริ่มนับตั้งแต่เดือนมุฮัรรัม ไม่นับต้นปีมุฮัจรอมจากเดือนบราเรียกว่ า, วาเป็นเดือนที่หนึ่งเราเรี ว, ว่าเดือนที่หนึ่งเราเราียกเอาเกดเดือนที่สองทำไมไม่ไม่นับแบบนั้นก็มีการอธิบายบางท่านนะครับอย่างเช่นในฟัตุลบารีของอิหม่ฮัดจ์อธิบายว่าเนื่องจากว่าความคิดที่จะให้ยลเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เดือนมุฮัจรอมเป็นต้นไปก็คือหลังจากท่านนาบีนั้นทําบอ่ะกับบรรดาชาวมดีนนะนะครับว่า ทำศัตยาบัญกับชาวมุสลิมว่าเวลาที่ท่าน อ, อพยพไปมาดีนะเนี่ยก็คือทําในช่วงฮัจจ์ช่วงฮัจจ์พอเดือนมุฮัรรัมปุ๊บก็มีแผนละวางแผนที่จะอิจราหละเริ่มที่จะวางแผนในช่วงแต่ท่านมีออกเดินทางจริงๆก็คือเดือนเดือนรอปีอเลเอาวะไปน้องครับเหตุการณ์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครูน่นี้ว่าปีใหม่อิสลามฮิจรัชสการาตอะไรก็ดีเนี่ยการเริ่มนับวั น, ว, นวันปีใหม่อิสลามจริงๆมันไม่ได้มี อะไรพิเศษเลยในแง่ของการอิบารัดอะไรใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งการอวยพรซึ่งกันและกันซึ่งมันไม่มีถ้าเราจะเจาะจงวันเนี้ส่งสรอข้อสอบปีใหม่อิสลามอะไรอย่างนี้มันไม่มีนะฮะแต่ถ้าเราจะขอดูอารวมๆไปว่าขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ท่านได้รับบรารักัดอะไรก็ว่าไปแต่อย่าไปเจาะจงว่าวันปีใหม่อิสลามเป็นวันพิเศษของพวกเราทุกคนที่เราจะต้องส่งการอวยพรอย่างงั้นไม่ใช่นะครับ ประเด็นที่น่าจะสําคัญมากกว่าก็คือประเด็นที่เราเอาเอามาทบทวนตัวเองอันนี้อัลลอฮฺก็พูดกันปีใหม่อีกแล้วเราควรจะต้องทบทวนตัวเองว่าเดือนปีหนึ่งผ่านไปะละแล้วชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างการฮิจราะนี่มันมีสองแบบหนึ่งฮิจราะร่างกายคือการที่เราอบพยคร่างกายของเราอบพย จากเมืองหน so then, ึ่งไปยังเมืองหนึ่งเหมือนทิทรบีและบรรดาสาวบ้าของท่านอพยบอพยบจากเมืองกูฟอรไปสู่เมืองอิสลามอพยบไปจากสังคมที่ต่อต้านอิสลามไปสู่สังคมที่ยอมรับอิสลามอพยบกสถานที่ที่ไม่สามารถจะปฏิบัติศาสนกิจได้ไปสู่สถานที่ที่สามารถจะปฏิบัติศาสนกิจได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งการฮิจรหชเนี่ย จะยังไม่จบสิน้นหมายความว่าไม่ใช่มีเฉพาะยุค ข, ของท่านนาบีเท่านั้นแม้กระทั่งยุคนี้นะครับถ้าว่ามันมีความจําเป็นที่เราจะต้องอิจรอเราละหมาดไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าละหม า, าดแล้วโดนฆ่าสมมติไปนะฮะอันนี้ว่าจิบที่จะอิจรอแต่ว่าถ้าจะถามว่าบ้านเราถึงขนาดนั้นไหมโอ้ไม่ต้องเลยบ้านเราทําอะไรก็ได้ทำได้มากกว่าละหมาดเราตั้งหาที่ยังไม่ละหมาด เรื่องละหมาดเรื่องถือสิบกฎมากกว่าละหมาดที่เราทําได้หมดเลยมีรุกกลอิสลามข้อไหนบ้างที่เราทําไม่ได้บ้านเราสังคมบ้านเราทั้งห้าข้อทําได้หมดเลยมากกว่าห้าข้อยังได้ทําได้อีกไอที่สุนัตต่างๆก็ยังทําได้เราต่างหากที่ไม่ยอมทําไม่ยอมฮิจราะอีกประเภทหนึ่งฮิจราะประเภทที่สองก็คือฮิจราะเชิงพฤติกรรมฮิจราะทางจิตใจ จากสภาพเดิมๆพฤติกรรมของเราปีที่ผ่านมาย่ำแย่มากละหมาดครบบ้างไม่ครบบ้างฮิจโร่เสีจากพฤติกรรมนั้นไปสู่พฤติกรรมที่ดีขึ้นจากละหมาดไม่ครบละหมาดให้ครบจากอามั่ไม่ครบอามั่นต่างๆกําหนดตัวชี้วัดกําหนดเป้าหมายในการปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการฮิจโร่เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าวันคืนและเวลาที่อัลลอฮฺกล่าวบอกว่ามันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเนี่ยแทบ่าวะร์กะลล์ดีจะอัลลัฟิสซ์มะอิบูรูจันวะจ๊ะัลลัฟิฮะสิราจันวะควมรันมุนีร่าวะจ๊ะอัลลัวะวลลจะอลลัยลวันน์ฮาระคิลฟตันลิมันอราดอันยัธ ذكر อาวะอาราดะชุกูร่า เป็นบทเริ่มต้นของอายา ท, ที่เกี่ยวข้องกับไอบาโดรฮ์แมนว่าแต่ลราว่าพระองค์ทรงสร้างดวงอาทิตย์ทรงสร้างจักรราศีทั้งหมดซึ่งเป็นตัวกําหนดเวลาให้กับเราปีหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์การโคจรของดวงอาทิตย์การโคจรของจักรราศีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของกลางวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยสร้างมาทําไมลิมันอารอดอันยาแจ็กเกิหรับคนที่ต้องการจะทบทวนตัวเองเอาบทเรียนของการ ของการจบหนึ่งเดือนจบหนึ่งปีจบสองปีสาปีที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยต้องมีบทเรียนเอาอาราดชุกอรหรือต้องการขอบคุณอัลลอหนึ่งปีผ่านไปเราได้รับอะไรบ้างบางคนได้รับปริญญาบางคนได้รับปริญญาตรีบางคนได้รับงานใหม่ปีที่ผ่านมาบางคนได้รับภรรยาได้มีภรรยามีครอบครัวใหม่ชุกรขอ Allah, ัลลอฮ์ س ب ح ا ละ อันนี้นะครับคือคือภาคปฏิบัติที่เราจะต้องเอามาใช้เวลาที่มันครบปีครบสัปดาห์หรือครบเดือนหรือครบรอบอะไรต่างๆนั่นแหะที่เราจะต้องชุกโกรบต่อรัศดาลา์ที่เราควรจะต้องได้รับบทเรียนสิ่งที่เราควรจะต้องมาปรึกษาหารือกันการทําดีของเราเนี่ยสุภานัลลอฮมันจะถูกสะสมเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเราจะลืมหรือนึกได้ มันจะถูกสะสมโดยปริยายความดีของเราจะถูกสะสมทีละเล็กทีละน้อยความชั่วก็เหมือนกันความชั่วของเราก็จะถูกสะสมครบปีเนี่ยถ้าเราเอามาชั่งดูเอาความชั่วมาชั่งกับความดีของเราเนี่ยเรากล้าไหมหรือว่าเราไม่เคยคิดเลยที่บานมานี้ไม่เคยคิดคำนวณเลยว่าความดีเท่าไหร่ความชั่วเท่าไหร่ س ุ ح ا ن อัลลอฮ์ซาบุรุลลอฮวาอัลูบิลลส่วนใหญ่เราก็จะหลงลืมนะครับเราไม่เคยคำนวณความดีของเราเราไม่เคยคำนวณ ความชั่วที่เราทําอยู่นะอัลบิลลัลลอิมซะเล็กอย่างไรก็ตามต้องนึกต้องออตักเตือนกันอยู่ตลอดเวลานะครับการความดีเนี่ยแม้ว่ามันจะนิดเดียวแต่มันก็สะสมให้เราอันนี้สําคัญมากทําดีไม่ต้องเยอะแต่จะทํำยังไงให้มันอิสติกรมหาเรียดทําตลอดเวลามันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่เราจะทําดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วทาตลอดปีอะ บางทีทำแค่วันเดียวมันง่ายกว่าอะไรที่มันใหญ่ๆทำครั้งเดียวจบมันง่ายกว่าเล็กๆแต่ต้องทำทุกวันหรือทำทุกสัปดาห์อะไรทำเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหนึ่งในจานวนความดีที่เราสามารถรักษาได้อย่างหนึ่งก็คือเนี่ยจุดนัดพบของเราทุกวันทุกวันพราหัสรู้สึกว่ามันเป็นแหล่งสะสมของเราการหนึ่งนะครับ คงไม่ง่ายเหมือนกันนะที่เราจะพอถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันอยู่บ้านไม่ได้คนสอนก็อยากจะมาสอนอยากจะมาเจอหน้าพี่น้องนะคนเรียนไม่รู้อยากจะมาเรียนหรือเปล่าแต่อยากจะมาเจออยากจะมานั่งด้วยกันอยากจะมานั่งอ่านอัลกุรอานด้วยกันขอให้มันเป็นความดีที่เราได้สะสมไปนะครับตลอดไปสําหรับปีหน้าอีกปีหนึ่งด้วยนะครับเป็นโครงการประจําปีของเราไปเลยตั้งเจตนาตั้งแต่ต้นปีไปเลยว่า นี่ความดีที exactly ili, oh ่เราสะสมมาตั้งแต่เริ่มแรกที่เรามาทำาอาต้อกันที่นี่ปีหน้าเขาจะให้มีไปจชนถึงสิ้นปีนะครับถ้ามีอะไรที่จะปรับปรุงจะแก้ไขก็ช่วยกันบอกช่วยกันเตือนอันนี้สำคัญมากเพราะอัลลอฮ์เพราะท่านนบีสุลลัลละบอกว่าอะมัลที่อัลลอฮ์สุบฮาวตะอัลอาักนะอะไรนะว่าอินอฮับะลัยมัลีอีลาลลอฮ์อด وأم ุฮะ و إ ن อามัลท well, allora. ีอัลลอฮฺสา拉拉รักมากที่สุดก็คืออัดุวังผาอามัลที่ทําบ่อยๆอามัลที่ทําเป็นประจำว่อิงกัานละถึงแม้ว่ามันจะเป็นอามัลเล็กๆนิดๆนิดเดียวไม่เยอะทําทุกครั้งทําเป็นประจำนะที่มีสุนนะของท่านนบีสุลตัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัลอฮัลฮะมดุลิละเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนสุรุตุลมาอาริชออกจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่า เดือนมูฮัรรอมปีหนึ่งสี่สามเจดมาแล้วนะครับปีหนึ่งเอามาทบทวนตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้วันอาชูรอตรงกับวันศุกร์วันศุกร์หน้าเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะถือศีลอดนะครับเตรียมถือศีลอดวันศุกร์หน้าเลยแล้วสุดหน้าของขั้นนับีก็คือให้ถือวันที่10กับวันที่9ด้วยเพื่อให้เป็นการ มขลาฟต์ยิฮูด์มขลาฟต์อุเอล์ลกิตาไม่ให้เป็นการเหมือนกันกับอัลลอฮกิตาถือวันพระหัสวันหนึ่งแล้วก็วันศุกร์วันหนึ่งหรือจะถือวันศุกร์วันหนึ่งกับวันเสาร์อีกวันหนึ่งก็ได้หรือถ้าใครคิดว่าไม่ไหวจริงๆต้องทำงานนเอาวันศุกร์วันเดียวก็ได้นะครับเฉพาะวันอัชชุรวันเดือนนี้เพราะวันปกติแล้ววันศุกร์เนี่ยห้ามถือศีลอดแบบเดี่ยวๆ เดี๋ยวๆไม่ได้ถือวันศุกร์โดดๆเดียวๆไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันตรงกับวันอัชุรอก็อนุญาตให้เราถือเฉพาะวันศุกร์ในฐานะที่มันเป็นวันอัชุรอนะครับอุลามะบางท่านบอกว่าใครจะถือสาวันก็ได้ก็พระหัสศุกร์เสาร์ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ที่มีหลักฐานดีที่สุดก็คือพระหัสกับศุกร์หรือตสุอากับวันอัชุรอนะครับอัลลอฮฺ มาดูสุราคลมาอาริชนะครับวันนี้เราจะเรื่องอ่านตั้งแต่อายะที่อายะที่ห้าเป็นต้นไปนะครับดิว่าจะได้งทีอมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตักเตือนกันก็คือว่าพนาชหรอเนี่ยมุสลิมหลายหลายพวกมีกิจกรรมไม่เหมือนกันบางพวกก็มีกิจกรรม ถ้าตามสุนนะก็คือให้ถือสินอดแต่บางคนก็อาจจะทำกิจกรรมที่ตรงกันข้ามกับการถือสินอดไปเลยก็มีการทำนุน่นทำนี่ทำขนมทำอะไรก็แล้วแต่ทำขนมได้หรือไม่ได้เนี่ยผมไม่กล้าที่จะพูดแต่ว่าอยากจะให้ถือสินอดทำขนมคุณก็ทำไปสิแต่คุณถือสินอดได้ไหมคืออย่าให้มัน คานกับซุนหน้าแบบจงแจ้งเกินไปอ่ะท่านนาบีเนี่ยสินอดวันาชุรอเราเนี่ยนอกจากจะไม่ถือสินอดแล้วยังเฉลิมฉลองกันใหญ่โตเนี่ยมันมันดูเกินไปโอเคถ้าอยากจะทําทําแต่ถือสินอดเสียนะ ว, ลลวะละหะลังก็ไม่กลา้าพูดไม่รู้ว่ามันจะเป็นอิบัตัดหรือเป็นเรื่องปกติก็ไม่ที่จะจะจะผู้กลมต้องให้อุลามะเขาเป็นคนผูกลมนี่เรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือพวกลัทธิบิดเบือน ลทั ب ب ب ب ทธิบิดเบือนบางลัทธินะก็วันอชุรอสําหรับเขาเนี่ยเป็นวันแห่งการแสดงความเศร้าโศกเป็นวันแห่งการเอามีดมาฟันตัวเอง سبحان Allah นะอุษุบิลละฮ์มันได้อันนี้เราต้องระวันะครับเขาพยายามที่จะจุดประเด็นต่างๆเพราะวันอชุรอเป็นวันที่อะไรต่างๆนะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอปรัชญาเราต้องไปศึกษาปรัชญาอุดุบิลละฮ์สุรตมาริชเนยที่ฮานะครับ น้าที่สามสิบเอ็ ا อ้าุบิลลาฮิมินัลชัยตานุรรจิมฟัซบิร์สับบะร์งามิล อินนั้นَวกเขาเห็นเขาَยَ ر َ ه ُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ ك َ ا ل ْ م ป ه ْคำ แَะَุษาลُและจะเَ็นภูเขาทีِส م งชَนและจะเป ل น ح َ م ِ ي م ี่สูงชันแ ยูบัสรุน่าฮุมยูบัสรุน่าฮุมยวดดุล مجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني و ص ا ح ب ت ه و ล أخيه و ص ا ح ص ت ه ที่ต و วอวีห์และมนุ و ย์ในแผ่นดินทั้งห สุ่มไม่ยุ่งจีขอพระองค์เป็นผู้นำดิบีอาบุ م สุ่มย alhamdulillah นะครับตรงนั้นก่อนซุรัตุลมาอาริจรับที่ลวนะครับสัาห์ที่ลเราได้บอกไปแล้วนะครับว่ามาอาริจหมายถึงอะไรและเริ่มต้นสุรษนี้เริ่มต้นยังไง นะครับเริ่มต้นซุลลัก์ก็คือการที่อัลลอฮฺม่วลิะฮอธิบายถึงพฤติกรรมของมุชริกีนบางรืวอยะระบุว่าใครคือมุชริกีนคนนั้นที่มาเย้ยหยันท่านนบีสุลต่านอเลาะห์สัลลัมเย้ยหยันด้วยการร้องเรียกร้องอัลลอฮฺมวลนัน้นให้ท่านนบีนั้น บอกให้อัลลอตะลาส่งอะไรมาครับสมการลงโทษมาซอละซาอิลุบิอาลแทินวะแกให้อัลลอบอกว่าถ้าสมมติว่าสิ่งที่ท่านนบีเอามาด่าวะเอามาเผยแพร่เอามาชักชวนให้รับอิสลามนี่เป็นของจริงไหนลงมาสิลงมาต่อหน้าต่อตาเลยนลลงการลงโทษลงหินลงอะไรก็ได้นะองูบิลลาห์มินซาลิก แน่นอนว่าคําพูดอย่างนี้เนี่เป็นคําพูดที่เกิดมาจากคนที่ไม่เชื่ออลอสุบฮานตะละและไม่รู้จักไม่เข้าถึงความยิ่งใหญ่ของ Allah และไม่รู้จัก Allah ถ้ารู้จัก Allah เนี่ยคงไม่ขออย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้แล้วเราจะรู้จักล l l a h ได้ยังไงรู้จัก Allah ด้วยการที่เราไปดูว่า Allah ตะละพูดถึงพระองค์ยังไงพ l l a h ตะละที่ว า, า, า, ายถึงคุณลักษณะของพระองค์ยังไงซึ่งในอายันี้ Allah ตะละก็อธิบัตินะครับว่า มิใน Allah ซ nah, to al al ma ิลมะอาริจนะกลงโทษอาลัตตุอาลันถลงมาแน่นอนแล้วเวลาที่อาลัตตะอาลัปทานบทลงโทษลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ลงบทลงโทษเล็กๆเหล่ากฟิรินะเลตทัลฮูดาฟะเวลาที่บทลงโทษลงมาแล้วเนี่ยผลกาเฟตก็ไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้อีกเพราะมันเป็นบทลงโทษมาจาก Allah سبحانه และ تعالى ผู้ทรงเป็นเจ้าของอัลมาอริจอัลมาอาริจก็คือ บันไดหรือชั้นที่อยู่ระหวา่างท้องฟ้ากับแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นที่ที่บรรดา马拉เอกใช้ขึ้นไปรับคําสั่งจากอัลลอฮ์สุบฮานตะละระยะห่างของมันนะยามินอัลเลห์ في ี في يومين كان مقداره uh خمسين ألف سنة ระยะห่างของมันเท่ากับห้าหมืปีในช่วงเวลาของในโลกตัวเนี้ระยะห่าง ซึ่งความหมายที่อุลามะส่วนใหญ่ตัดเจตนะครับที่ดูจากหลายๆทัศนีย์ก็คือว่าหนึ่งวันตรงเนี้หมายถึงวันอัคราตวันเจ้าละตัลละจาพิพากษาเราอะวันกิยามัตหนึ่งวันเนี่ยเท่ากับห้าห0ื่นปีของโลกดุนีย์อัลลอฮฺกว่าจะเสร็จทีละคนทีละคนทีละคนเจ้าละตัลละจากพิพากษาใช้เวลาเท่ากับห้าหมืนปีในโลกดุนีย์ و ك و ا าว์น์อันอ ل ى الكافرين عسير เป็นวันที่ยากลําบากมากทุกยากมากสําหรับผา้มุสริมแต่สําหรับคนมุขมินมีฮัจิดที่ระบุว่าพระหนึ่งกับเขาละมาฝ ร, รดูแค่หนึ่งเวลาอัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้เราเป็นมุขมินขอให้เราเป็นวีไอพีในวันอัคราตอันเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่คนไปฮัจคนไปทําฮัจจะนึกถึงวันอาคราตมากมากเลย ผมว่านกะใครที่ไปทำฮัทเสร็จแล้วเขาไปด้วยความตั้งใจที่จะไปรับบทเรียนจากฮัทจริงๆหนึ่งในจำนวนบทเรียนที่เขาจะต้องได้รับอย่างแน่นอนในการทำฮั์ก็คือนึกถึงวันอัคราคือสภาพทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เราไปตรงนั้นแหละมันไม่ไปที่อื่นละเริ่มตั้งแต่ผมถอดอย่างอื่นออกหมดเลยหมดเลยไม่อย่างอื่นนอกจากผ้าสองผูนสีขาวแม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหน เอ่รวยล้นฟ้ามาจากไหนตำแหน่งคำเก้าอี้มาจากไหนก็คุณต้องใส่ผ้าแค่สองผืนแต่ากิงในก็ใส่ไม่ได้ขอโทษไม่ใช่ว่าใสาา่ผ้าสองผืนข้างใ น, นมีกังเงในไม่นี่สุภาพนัลล่นแหละแล้วทุกอย่างต้องทําเหมือนกันหมดโตว้วาสคุณก็ต้องโตว้วาส์ตรงนั้นแหละมันจะไปโตาวาส์ที่อื่นไม่ได้โอ้วันนี้เหนื่อยโตว้วาส์คนนี้ไปโตว้วาสี่อื่นดีกว่าเสาอื่นนี้นี่โ ต, ต้วาส์มากมีตรงนั้นทีเดียว ก็ต้องเนี่ยต้องไปนะโอซูบินล่ะนะครับเนี่ยไม่ไม่ใช่นาอูอซูบินล่ะหมายึงว่าออะไรอะนึกถึงวันอัคคีที่เราจะต้องอัดแน่นกันเนีมันจะต้องนึกถึงมันแล้วมีทุกแบบมีทั้งดํามีทั้งขาวมีทั้งสูงมีทั้งเตี้ยมีทั้งต่ํามีกลิ่นก็มีหลายแบบเหมือนกันอันนี้คือ แล้วเหงื่ อ, อเหงื่อก็เช่นเดียวกันเหงื่อเวลาที่เหงื่อออกมาวันอาคิรัตจะมีเหงื่อจากคนที่กำลังชุมนุมกำลังจะกลับไปหาอัลลอฮ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นห้าหมืนปีเนี่ยอัลลอฮ์อักบัดถ้าเราไม่ใช่วี p อพีเหมือนคนทำฮัททำฮัทมันก็มีวี p อพีด้วยเวลาที่อยู่ที่อาราฟาัคทุ่งอาราฟัคที่มันร้อนมาก่าเดี๋ยวนี้มีต้นไม้เยอะก็ยังชัว่วนแต่มันก็ยังร้อน บางคนนี้ไม่มีที่จะหลบไม่มีเต๊นไม่มีอะไรต้องนั่งอยู่ท่ามกลางแสงแดดของวันอาราฟาอ๋อผมรู้สึกเลยปีนี้ร้อนมากครับดีที่ว่าเราเนี่ยเป็นคัจวิไอพหน่อยจะอยู่ในห้องแอร์ <laughs> อยู่อยู่อะไรเาเรียกว่าูฟในห้องแอร์ไม่ต้องออก <laughs> ออกมาหลังจากอสซาดแล้วที่มันเริ่มเย็นหน่อยก็เราออกมาจากห้องแต่ว่ามีข้าวกิน นะเข้าหมวกแพดด้วยนะไม่ใช่เราที่เข้าหมาแจกนะมีน้ำเย็นให้กินมีอะไรกินมนเป็นพัด v i p ของเรานี่ v ว p พแค่เบานะมีคนที่วี p อพเยอะกว่าเราอีกโอ้ยมเข้าไปดูของเขาโอ้โ ห, โหเขาเขามีเบาะแบบแยกรายบุคคลแบบเฟิร์สคลาสอะแปลว่าคือคือไม่ต้องลแบบุกไปไหนอะ อันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีประโยชน์แะให้เรานึกถึงวันอัครยอนนั่นเหมือนกันน่ะในขณะที่คนอื่นต้องร้อนอยู่ข้างนอกอ่ะมันจะมีคนบางกลุ่มที่อยู่ใต้ร่มเงาฮะแล้วก็บางคนก็ใต้ร่มเงาก็ไม่เหมือนกันอีกนะบางคนอยู่ใต้ร่มเงาแบบแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งนี่อยู่แบบวีไอพีสุดๆมีมีเขาเรียกว่ามีโซฟาแบบ แบบเฟิร์สคาสอ่ะคือของเขาก็ของเขาไปเลยคนอื่นมายุ่งเกี่ยวไม่ได้นะครับแล้วก็นั่งอย่างนี้เลยนั่งเองอย่างนี้เลยแลย้วโซฟาก็ไกลางเนีน้นั่งนอนแบบนี้ได้เลยครับสุ้าพผมก็ไม่เคยเห็นปีนี้ผมเห็นนะปีนี้ทำให้นึกถึงสุภานอลล่าในวันอาคารั์เนี่ยที่อลัคตาลาบอกว่าคนบางกลุ่มเข้าสวรรค์เลยไม่ต้องมีการสอบสวนสอบสวนก็คือสอบสวนแบบพาเน่ะ คนบางคนในวันอาคราสคนบางกลุ่มในวันอัคราสจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซึ่งไม่มีร่มเงาอื่นวันนั้นไม่มีร่มเงาอื่นนอกจากร่มเงาของอัลลอล์เท่านั้นคนที่เป็นผู้นําที่ยุติธรรมคนที่เป็นชบาบที่เติบโตมาในสภาพที่เขารับพังเดียวอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์คนที่หัวใจของเขาแขวนอยู่ที่มัสยิดซึ่งเราอธิบายไปแล้วนะครับเรื่องพวกนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วคนที่รักกันเ์ื่อัลลอฮ์คนที่รักษา ความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่ไปทําปิดประเวณีไม่อนี้นะคนที่สอดรับ ก, ก็คือมันมีทุกรูปแบบดีอลอสวางอะไรจำแนกรูปแบบตามความถนัดของเราเลิกภาพบอกไหมฮะถ้าสมมติอลอสตาลาบอกว่าคนที่เป็นวีไอพในวันอาครัสมีแค่ประเภทเดียวตายทีนี้ตายเพราะเราบางทีเราเป็นไปเป็นไม่ได้อะคนเนี้ยแต่เนี้ยอลอสอะไรจำแนกออกเลยคนที่ถนัดแบบนี้อ่าเปเป็นวีไอแบบนี้คนที่ถนัดแบบนี้ก็เป็นวีไอพแบบนี้แต่ทุกคนจะได้เป็น วีไอพีในวันอาคาัคราตมุกมินทุกคนก็เป็นวีไอพีระดับหนึ่งแล้วแต่ในจํานวนมุกมินก็จะมีวีไอพีหลายระดับของเขาอีกหนึ่งในจํานวนท afsir ของคําว่าอัลอาลิชที่เราอธิบายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าอัลมาอาริชเราก็คือระดับชั้นของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาก็มีระดับชั้นของเขานะอัลลอฮฺสุบบานัตละเพราะเราไม่เหมือนกันบางคนอามัลเท่านี้บางคนอัมัลเยอะบางคนอัมัล น, น้อยก็จะมีระดับอัลลอฮฺอายุติธรม ในการที่จะกำหนดแต่ละคนว่าควรจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้ น, นถึงองซีนะอัลฟาสซนาเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากแค่วันเดียวเนี่ยร้อนวันเดียวเนี่ยเราก็ไม่ไหวละแล้วลองนึกดูถ้ามันยาวถึงอ้าหมืนปีเนี่ยเราจะรอท่ามกลางแสงแดดของโลกฟังตานซึ่งมันร้อนกว่าในโลกโลนียานี่มากเป็นไม่รู้กี่ล้านเท่าเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องหาครับต้องห า, ต, งหาต้องหาจุด ต้องหาบัตรวีอพีให้ได้อะไปอาครัตแล้วคุณต้องมีบัตรวีพให้ได้ถ้าคุณไม่มีบัตรวีพในวันอาครัตรับรองเลยว่าเหนื่อยแน่นอนทุกคนต้องกลับไปหาสาระบางคนถึงกับเขาเรียกว่าอามารุสอามารุสซิรอา말ที่ตัวเองทำแบบลับๆและไม่มีคนอื่นรู้แม้กระทั่งภรรยาเขาเองก็ไม่รู้ แต่ละคนเนี่ยต้องมีอา ม, มัลที่เขาเรียกว่าปุกปิดไม่ให้คนอื่นรู้เลยเป็นอา ม, มัลที่เขาอิจฉาสกับอัลลอฮฺบอตรอาลาเพียงแค่เขากับอัลลอฮ์่านั้นเพื่อที่จะเอาอา ม, มัลเนี่ยไปใช้ในการถ้าจะบอกว่าต่อรองมันมันดูไอ้นั้นไปไปใช้ในการตะวัสุลไปใช้ในการร้องขอจากอัลลอฮฺบอตรอาลาเพื่อให้ไม่ได้เป็นวีไอพในวันอัชคาร อันนี้เราก็ต้องทบทวนด้วยคือต้องกําหนดให้กับตัวเองเนี่ยต้นปีอย่างเงี้ยเหมาะสมมากเลยที่จะมานั่งมานั่งคิดว่าฉันเหมาะกับการทําอะมั่แบบไหนมากที่สุดอะ ม, มัลมีเยอะมากนะเรามีเราไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องมาแย่งกันเลยและไม่ต้องเรียนแบบไม่ใช่ว่าคนนั้นเก่งในเรื่องของการ l, อร่านอัลกุรอานอ่านอัลุรานเท่าันโอ้ยกูจะเอาแบบมันบ้างทําได้สามวันจอดไม่ไหว ดูสภาพของตัวเองนะฮะว่าเราเราไหวแบบไหนเราไหวแบบไหนบางคนไหวแบบอ่านอัลกุรอานบางคนไหวแบบตะหาจุดบางคนไหวแบบช่วยเหลือคนอื่นบางคนไหวแบบแบบไหนเอาให้มันจริงจังในเรื่องเหล่านั้นแม้กระทั่งการที่อละลัตตะลาจำแนกท่านท่านอบีจำแนกว่าเจ็ดจำพวกเนี่ยก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมมีทั้งเรื่องสอดรับก็มีทั้งเรื่องรักษาจิตใจมีทั้งเรื่องมัสยิดฮะล่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าหมดหวงังกับการที่เราจะได้เป็นวีไอพ นวันอคัคราสเด็ดขนะครับอันนี้ผมฝากเอาไว้เลยนะครับนะหมดเวลาพอดียังไม่ได้ตัฟซีรเลยอายะ ท, ที่ห้าฟับิร์อาอะเดียวฟับิรซบรันจะมีลัดังนั้นเจ้าจงอดทนด้วยการอดทนที่ดีสุภานัแ ล, ลอายะนี้มีมีมีอายะ ท, ที่คล้ายๆ ก, กันกับอายะทนี้ก็คือฟาซบรนจะมีล หลายคนแปลว่าการอดทนนั้นเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ต้องแปลว่าจงอดทนด้วยการอดทนที่สวยงามการอดทนที่สวยงามคืออะไรอดทนเรื่องอะไรก่อนถามว่าอดทนตรงนี้เป็นคำสั่งมาอย่งท่านรอสุลลาะสโลละอัลลอฮฺสั่งหวะอเปล่าอัลกามัดเจ้าจงอดทนอดทนเรื่องอะไรอดทนต่อคำเย้ยหยันของพวกมุชลินเมื่อสักครูร่นี้ไง ที่มันออกมาเยอะหยะมาเราเย์ yeah, ท่านออีมุฮัมมัดไหนเจ้าโวเป็นของจริงไหนลงอาสาบลงมาสิถ้าเราเราจะเป็นยังไงหมดกําลังใจที่จะดว่าวที่โกรธบางทีอะไรแต่เราสว่างตระเราบอกว่าฟาสบรุฮัมมัดอดทนซะอดทนอย่าไปเป็นเหยือ่อกับดักทางอารมณ์กับคนพวกนี้ คนพวกนี้ที่ไม่ยอมศรัทธาที่มาล้อเลียนเจ้ามาทำให้เจ้าโกรธมายุบแย่ให้เจ้าโกรธเนี่ยอย่าไปอย่าไปหลงกลคนพวกนี้แต่จงอดทนและไม่ใช่การอดทนแบบธรรมดาซับรอนจามีละอะไรคือความหมายของคำว่าอดทนแบบอย่างดีนะฮะนี่ก็บอกว่าจงจงอดทนเถอะโอ้ผู้เป็นรอซูต่อการดูหมิน่นเย็ดยามของพวกเขาและการเรียกร้องของพวกเขาที่จะรีบให้มีการลงโทษ มันบางทีมันก็เจ็บใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่สิทธิ์ของท่านอบดุาบุลหมัดสุลต่าลอห์ของอะไรวะสันลำที่จะให้ให้ก้อนหินหรืออุกกาบาตมันถล่มเมืองท่านอับดุลบาบุ ไ, ได้ไหมท่านับดุลบาบุลทไมได้นี่มันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเวลาที่พวกมุสลิกินมาขออย่างนี้พอเราทําไม่ได้เรารู้สึกยังไงอะแน่นอนว่าเราต้องหมดกาลังใจเราต้องอ ไ, ไ, ไม่ไหวเพราะฉะนั้นต้องอดทนกับการยือหยันมันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้แน่นอน นะสำหรับคนที่เรียกร้องไปสู่อรรถสุภทานอาจารย์แหละอดทนโดยไม่ยออ่อท้อไม่ใช่ว่าอดทนตอนแรกสักวันสองวันพอห้าวันไม่อดทนแล้วไม่ได้ต้องอดทนตลอดหรือบางทีอดทนตอนปลายตอนแรกแรกไม่อดทนตอนแรกแรกเนี่ยสแสดงอาการก่อนพอสแสดงอาการไม่สําเร็จเวลาล่ะ ก็ปลอยไปน่งแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอดทนตอนหลังละอดทนตอนตอนหางๆละตอนผัวเนี่ยอารมณ์มุนขึ้นอยากจะซัดกับมันสักทีนะึงแต่พอซัดไม่ไม่ล้มไม่ลงไ ม, งไม่ไม่ประสบความสำเร็จอา้าค่อยมาอดทนตอนหลังอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันอดทนเนี่ยอดทนตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็อดทนตลอดเรื่อยไปในเส้นทางของการทำงานเดีวะนะครับไม่ย่อท้อและ ไม่ร้องเรียนต่อมักลูกด้วยกันอันนี้ทำยากมากเลยโดยเฉพาะในโลกโซเชียลตอนนี้ปวดช้องจังเลยไม่รู้เป็นอะไรนะเราเนี่ยพอมีเฟซบุ๊กเนี่ยปวดฟันนิดหน่อยก็บอกเฟซและไอ้เรื่องธรรมดาแบบนี้ไม่เท่าไรแต่แน่ตัวว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแล้วเราเอามาใส่ในเฟซเนี่ยบางที เอามาใส่ในโลกโซเชียลเนี่ยบางทีมันอาจจะค้านกับขยัดนี้ถ้าเรามีจุดประสงค์เพื่อเอาม า, มาระบาดไม่ไหวจะบอกแล้วพวกนี้นราเสียหัดไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วยังไม่ยอมฟังอีกนะเอามาโพสต์เป็นสเตตัสของเราบางทีมันอาจจะค้านกับขยายนี้คนที่เป็นนักด่าว่าจริงๆเขาจะไม่โพสต์อย่างนั้นเขาจะไม่เอาความรู้สึก ที่เขาทำอะไรแล้วมันไม่ได้ดังใจเขาแล้วเอามาระ บ, บายให้คนอื่นฟังนอกจากอัลลอ์สุบฮานตะลาเพียงพระองค์เดียวคุณมีเรื่องอยากจะระ บ, บายอย่านึกถึงเฟซเป็นลำดับแรกส่งสเตตัสของเราให้กับอัลลอ์เป็นคนแรบกบอย่าส่งสเตตัสให้มากสัเกบิร์อันเนี้ยมันคนละแบบกันนะโอเคไหมฮะตับเซยังยก มันเป็นชีวิตจริงอะ่ะบางทีเราก็ต้องระวังแล้วมันเป็นอายักเนี่ยมันคืออย่างนั้นสั่งให้ท่านบับดุลลอฮสัซับบรั้งะจมีลอดทนอย่างดีก็คือไม่มีชักกว่าไม่ท้องเรียนกับมักลูกด้วยกันโอ้ทไม่บอกด้วยกันอะไรเนี้ยยกเว้นในกรณีที่เราปรึกษาหารือเพื่อจะแก้ปัญหาซึ่งมันคนละเรื่องกับมันคนละเรื่องกันกับเรื่องของการที่เราจะระ บ, บายความรู้สึก กระแบบกันแล้วความรู้สึกมันไม่มีผลหลังจากนั้นในภาพออกไหมครับแค่บายระบายแล้วรู้สึกดีขึ้นระบายแล้วรู้สึกว่าเออกูได้ทําแล้วคนอื่นได้เห็นว่ากูทําก็จบแค่นั้นมันไม่มีผลหลังจากนั้นการปรึกษาหารือเราเอาปัญหาการทํางานของเรามาบอกพี่น้องมาบอกคณะกรรมการมาบอกคนที่เป็นสมาชิกแล้วมาหาว่าจะแก้ปัญหายังไงมันคนละเรื่องกันกับเรื่องของการระบายมันกระแบบกันอันนั้นเป็นการชูรอ นะครับอันนี้เป็นชักกว่าชักกว่าก็คือมามีอะไรนี่ฟ้องระบายอะไรจะระบายระบายกับอัลลอฮฺจะฟ้องฟ้องกับอัลลอฮฺแต่ถ้าจะปรึกษาหารือได้ปรึกษาหารือกันในกลุ่มเป็นกลุ่มปิดนะเฟซบ o ๊กก็มีเขามีออปชั่นให้เราละาเป็นสร้างกลุ่มลับสร้างกลุ่มเฉพาะคนที่จะมาพูดคุยปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่ า, อาไปพูดบางเรื่องมันไม่เหมาะเลยนะครับที่จะเอามาพูดในเรื่องเป็นเป็นเรื่องสาธารณะ อัลลอฮฺเพลินเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าเราจะได้ประโยชน์จากอายัดนี้อายัดนี้เกี่ยวข้องกับคนทํางานดักวะโดยตรงฮพสื่อซบรอนจจมีละซึ่งการตั้งเสี้ของบรรดาอุลามะนี่จะเหมือนกันเลยนั่นก็คืออ่าเนี่ยตากันดีิเพราะซับรลากรอดทนที่ไม่มีการฟ้องร้องไปยังคนอื่นนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวเราอยากจะบอกความรู้สึกอัดอั้นของเราไม่ต้องบอกเฟซบอกอัลลอฮฺ นี่คือสอบรดนจมีลาว่ลาอุชาลิทูหูเชยอนมิเนลเจซะแล้วก็ไม่มีการมาคล้าวปะปะปนกับความรู้สึกท้อแท้ท้อแท้ไม่ได้ทำงานดะอาจจะรู้สึกไม่ดีสักนิดหนึ่งอโอเคบางทีแต่ต้องลุกขึ้นมาเอาทับรุมบิดกัฎยาหิวกรดิรือรู้สึกเจ็บ ป, ปวดกับการที่อะไางหนดเราต้องเจอกับอะไรเาเรียก บททดสอบที่เราทําทํางานเวลาที่เราทํางานอะไรก็ดีเวลาที่เราทํางานกาานลุม่มทํางานในจมาม่าทํางานในชมรมทํางานในหมัดมัสยิดในกรรมากาพเเจอกับปัญหาต่างๆเนี่ย阿拉ตล า, าตัดดีดให้มันเกิดปัญหาระหว่างเราเนี่ยอย่ารู้สึกเจ็บปวดทั้งบทนั้นเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ต้องรู้สึกว่าเราทำดีแล้วเราต้องมองในแง่บวกเอาไว้นี่คือความหมายของคําว่าซอบรุนเจมีลซึ่งเป็นอาจะละต阿拉พูดถึงนบียักูบอะลัยซัลลัมด้วย นะฮะกับลูกหลานอับนะยากรูปเป็นพ่อของของใครนะยูซุฟนะ ท, ท่านอบับยากรูซึ่งอบับยากรูปเนี่ยสูญเสียท่านอบับยากรูปไปหลายปีแต่ว่าอบยกรูก็ฝศบรนุนจจมีลอดทนมาตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ท่านอบับยากรูปายตัวไปจนกระทั่งได้เจอมาใหม่ท่านอบีมุฮัมมัดก็ได้รับคําสั่งมาเช่นเดียวกันฝศ บ, บ, บรอนจจมีล่ะพวกเราทุกคนก็จะต้องเอาแบบอย่างนี้ เวลาอดทนต้องอดทนให้ถูกอดทนให้สวยงามการอดทนบางครั้งก็เป็นอิบาดะให้เรานึกอย่างนี้นะฮะอิบาดะคืออะไรได้บุญการอดทนได้บุญและเป็นปัจจัยสํคาคัญที่จะทําให้เรานั้นได้ใช้มันเดินทางไปเป็นกุญแจสวรรค์อัลลอฮ์สุาฮาห์อัลตางะใน hadis ท่านนาบีลลสุลต่านบอกว่าอัลซับรุดยะ การอดทนนั้นเหมือนกับสปอตไลท์เรียะนี่หมายถึงอไรที่ให้ความสว่างไม่ใช่เทียนนูดแสงสว่างเล็กๆแสงแสงนวลเหมือนแสงเทียนแต่เรียะนี่หมายถึงวัดมันสูงอ่ะเหมือนไฟนะ่ไฟนี่กี่วัดฮะหลอดนั่นกี่วัดหกสิบใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราไปที่สนามบอลที่เขาเขาใช้ไฟกี่วัดอันนั้น มื่นวัตนะนั่นแหละมันสว่างคนละแบบกันคนที่อดทนกับคนที่ไม่อดทนเนี่ยก็เหมือนกับเนี่ยเหมือนกับหลอดไฟคนที่ไม่อดทนก็เหมือนกับหลอดเล็กๆห้าวัตสิบวัตแต่คนที่อดทนเยอะๆก็คือคนที่มีวัตเยอะมากแล้วแต่เราก็จะเห็นทางออกของเขาถ้าไม่อดทนมองมไม่เห็นทางออกมีแต่ปัญหามานิก็กมาหน่อยโอ้ไม่รู้จะแกแ้ยังไงไม่อทนแต่ถ้าเราอดทนปุ๊บ แต่เราเข้มแข็งเราพร้อมที่จะสู้ฟันฝ่ากับปัญหาเราก็จะเห็นทางออกทั้งวันทั้งทีสองอย่างที่อัลลอฮฺบอกให้เราขอความช่วยเหลือนอกจากขอกับอัลลอฮฺแล้วเนี่ยมีสองอย่างนี้วะสใจนุบิซับรีอัลลอฮ์จงขอความช่วยเหลือกับการอดทนและการละหมาดมากก่อนละหมาดด้วยซ้ําการละหมาดเนี่ยก็คือการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อัลซับรมากก่อนคําว่าละหมาดยะยุลล uh ัลฮิณอามานุ จะไอ้หนูบิซซอบริวสัลลจงขอความช่วยเหลือ ก, กับการอดทนก่อนก่อนที่จะมีละหมาดตามหลังสุด้าหน่าลลเราเราเป็นเป็นเหตุเป็นเคับที่มันหายไปจากชีวิตเวลาที่เราประสบความทุกข์เราต้องอดทนนะต้องอดทนให้มากมันไม่มีอะไรที่อยู่กับเราตลอดไปต้าสมมุติว่าเรามีสองอย่างนี้บิซซอบรอิวสัลล การที่เราอดทนกับ <objectively> <única> ับบททดสอบและการที่เราขอความช่วยเหลือจาก Allah เางเรือาวก็มักพอดีนะครับ a l a h ุตะลาอลลลุะะมฮัมมดนะลอลิวะซฮิะิลัลัลลัลัลลลล